ทีนี้พระราชาก็ส่งนักการให้ไปแจ้งข่าวแก่พระแก่พระโอรสพระโพธิสัตว์ได้ฟังคํานั้นก็ถามว่าดูก่อนนักการชาวกรุงซีพีพากันโกรธเราเพราะเรื่องอะไรเรายังไม่เห็นความชั่วของเราเราไปทำชั่วอะไรมาขอท่านจงบอกความชั่วนั้นแก่เราเพราะเหตุใดท่านจึงมาขับไล่เรานักการนั้นก็กราบทูลว่าเพราะพระองค์พระราชทานคชสารพระเจ้าข้า พระเวสสันดรพอฟังอย่างนั้นก็โสมมนัสริงนะักตรัสว่าเราจะเราจะให้ฮัไทไธให้จักสุให้เงินทองแก้วมุกดาแก้วไพลทูลและแก้วมณีเป็นเพียงทรัพย์ภายนอกของเราจะเป็นอะไรไปเมื่อยาจกมาถึงแล้วเราเห็นยาจกแล้วจะให้แขนขวาแขนซ้ายใจของเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะใจของเรายินดีในทาน ชาวบ้านชาวเมืองทั้งปวงจงขับไล่เราหรือจงฆ่าเราก็ตามหรือจะตัดเราให้เป็นเจ็ดท่อนก็าตามเธอแต่การงดจากการให้ทานเสียไม่ได้มีไม่ได้หรอกเรียกว่าฆ่าได้แต่เลิกบอกให้เลิกให้ทานไม่ได้เนีย่ยนะเมื่อไรเนอะใจเราจะคิดแนวเดียวกันก น, นะอย่างน้อยก็นิด น, นี่หน่อยๆตามท่านมังก็ยังดีนะบอกตายไ ด, ได้แต่เลิกทาบุญนี่คงไม่ได้เราควรงน้น พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าชาวเมืองทั้งหลายจงให้โอกาสแก่เราเพื่อให้เราได้ให้ทานสักวันหนึ่งเถิดพรุ่งนี้เราให้ทานแล้ววันที่สมเราจะไปะนะเว้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะให้ทานทั้งวันเลยนะวันที่สมจะไปแล้วแล้วก็ส่งนักการไปยังสํานักของพวกพราหมณ์พวกนักต่อรองอะนะเพราะว่ากองทัพทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเวสสันดรพระเวสสันดรเนี่ยนะมีพวกอยู่แค่เฉพาะอ่านะนะเชื้อพระวงศ์อยู่ไม่เท่าไหร่เองนะที่เหลือนี่อยู่ในฝ่ายตรงนั้นแม้แต่พระญาตทางหางนี่อยู่ฝ่ายอมาตย์หมด ต้องการจะไล่ออกหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกขออนุญาต ก, กา็แล้วการก็เลยให้นักการไปต่อรองบอกว่าพรุ่งนี้เราจะให้สั ต, ส, ต, ตสัตกะมหาทานคือเรียกว่าอะไรสัตสัสดกเนี่ยนะก็แปลว่าอย่างละเจ็ดคือเรียกว่าให้ของเจ็ดอย่างอย่างละเจ็ดร้อยเรียกว่าให้ทานครั้งใหญ่หลังอย่างละเจ็ดร้อยนะของเจ็ดอย่างและอย่างละเจ็ดร้อยด้วย มีอะไรบ้างช้างก็ต้องเจ็ดร้อยม้าเจ็ดร้อยรถเจ็ดร้อยให้หญิงอีกเจ็ดร้อยโคโนมอีกเจ็ดร้อยธาตุชายอีกเจ็ดร้อยธาตหญิงอีกเจ็ดร้อยจงเตรียมตัวให้ทานไอ้แล้วพวกผู้หญิงเขายอมหรือพวกพวกหญิงที่ให้นี่เป็นหญิงกษัตริย์นะไม่ใช่ให้หญิงทั่วไปให้หญิงกษัตริย์แล้วหญิงเหล่านั้นเขายอมหรือเขาบอกว่าหญิงเหล่านี้เนี่ยนะเป็นผู้ที่ทําบุญตั้งความปรารถนามาเพื่อที่จะยอมให้ทานเนี่ยนะ ในในอภิธานนี้กล่าวว่าหมอ่อมชันเนี่ยนะให้พระองค์ให้ทานเนี่ยเป็นโกดกลับมาแล้วว่างั้ น, นให้ทานมานานเพราะพวกบุคคลเหล่านี้เนี่ยตั้งความปรารถนาร่วมกับพระโพธิสัตว์มากเกียรสงข่ายบุคคลเหล่านี้สี่อสงไข่ทั้งนั้นนะไอ้ที่ที่ตรัสรู้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพวกกลุ่มสี่อสงไข่พวกที่รอว่าข้ามท่านี้ไม่ได้จะจะคอยข้ามท่าข้างหน้านี่แหละพวกนี้ก็เลยได้ข้ามท่าข้างหน้าจริงๆและรอนานหน่อย เพราะฉะนั้นก็เลยพระโพธิสัตว์สั่งให้ตระเตรียมอย่างและเจ็ดร้อยจัดตั้งข้าวน้ําเป็นต้นขณะเดียวกันพระองค์ให้แม้กระทั่งของที่ไม่สมควรที่จะให้เพื่อจะตัดคำคอรหาคืออะไรคือสุราวห์กั้นสเสด็จไปยังที่ประทับของพนางมัตซีเนี่ยนะก่อนที่จะให้ทานเน่ยนะคือนะั้นก็ไปบอกพนางมัตซีว่าดูก่อนแม่มัตซีน้องอ่ะนะดูก่อนน้องมัตซีนะ่นนะ เมื่อจะฝังทรัพย์อันติดตามไป ค, คือก็ไปสั่งให้บอกว่าเธอจงฝังทรัพย์ในของเธอเนี่ยนะไม้กระทั่งว่าทรัพย์ที่เธอได้จากที่เราเคยให้หรือเอามาจากตระกูลของเธอเธอก็ฝังทรัพย์เหล่านั้นเอาไว้ในท่านผู้มีศีลเธอแล้วก็ชักชวนพนางมัตสีในการบริจาคทานโปรงก็แจ้งเหตุเรื่องนั้นให้ทราบนะก็เล่าความจริงให้ฟังคือก่อนที่จะเล่าความจริงให้ฟังก็บอกว่า ถ้าเธออยู่นี้ก็เลี้ยงลูกให้ดีนะถ้าหากว่ามีใครที่สมควรมาขอเธอแต่งงานเธอก็จงไปเป็นเธอก็จงเป็นภรรยาของเขาให้เขาเป็นสามีของเธอนะเสร็จแล้วก็นางก็บอกว่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงแปลว่าอะไรก็เลยก็บอกว่าจะถูกไล่ไปอยู่ป่าแล้วบอกจะไปด้วยว่ากันเพราะฉะนั้นพี่จะไปอยู่ป่าขอให้น้องจงอยู่ในพระนครนี้เธออย่าติดตามไปเลยพระนางมัตสีก็ทูลว่าข้าแต่พระราชส า, ามีหม่อมชั้นเว้นพระองค์เสียแล้วจัก ขอเรียว่าจักไม่ขออยู่แม้แต่วันเดียวเขาบอกว่าค ว, ว, ว, วามตายก็จะประเสริฐกว่าในชาดกเขามีเรื่องเล่าเยอะกว่านี้มากนะแต่นี้ก็รวบรับนะนะพระเวสสันดรนี้ก็บริจาคสัตตะนะสัตสตะสดกมหาทานเมื่อพระเวสสันดรบริจาคสัตสตะสดกมหาทานนั่นเองก็ให้ทั้งวันจนถึงเวลาเย็นพระองค์ก็เสด็จโดยรถที่ตกแต่งแล้วเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาทูลลาพระมารดาพระบิดาว่า พรุ่งนี้ลูกจะไปเมื่อพระมารดาพระบิดาไม่ประสงค์ก็พากันกันแสงมีน้ําตานองพระเนตรนองพระพักร์ร้องให้กันทั้งคืนทั้งเมืองอ่ะแหละพระเวสสันดรถวายบังคมกระทําประทักษิณเสด็จออกจากที่นั้นในวันนั้นพระองค์ประทับอยู่ในพระราชินิเวศของพระองค์วันรุ่งขึ้นดำริว่าเราจักไปละก็ลงจากประสาทแม้พระนางมัตสีแม้พระสัสรุ ถ้าสัตสุระคือทั้งพ่อผัวแม่ผัวก็ขอร้องโดยนัยยะต่างๆจริงๆเนี่ยก็เป็นหลานของตัวเองนะพนางผู้เสดิพนางมาัตสีก็เป็นหลานของพระเจ้าสัญชัยนั่นแหละนะก็เป็นหลานของพนางพุ้เสดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้หลานไปนะหลานทั้งหลานอะไรหลานลูกพี่ชายด้วยแล้วก็หลานแท้ๆของตัวเองด้วยก็ไม่อยากให้ไปอย่าไปเลยเนี่นะ ปางมาสัสยิก็ไม่ฟังคําของพ่อผัวแม่ผัวถวายบังคมกระทําประทักษิณอําลาบรรดาสตรีที่เหลือพาพระโอรสทิดาทั้งสองเสด็จไปหาพระเวสสันดรก่อนที่พระองค์เนี่ยประทับรอที่รถพระมหาบุรุษนี้เสด็จขึ้นรถประทับยืนบนรถโดยทํานองอ่นนะนะเรีกว่าอําลามหาชนพระองค์ก็ทรงประทานโอวาทแก่มหาชนว่าแทนที่จะโกรธมหาชนที่ขับไล่นี้ไม่ ถ้าพวกท่านอย่าประมาทในการทำบุญมีการให้ทานเป็นต้นนะอย่าประมาทในคุณงามความดีบุญกุศลนะขนาดจะไปแล้วนะถูกเขาไล่ไปนะยังแนะนำเขาอีกอย่าทิ้งบุญทิ้งกุศลนะแล้วก็ออกจากพระนครมารดาของพระโพธิสัตว์ดำริว่าโอรสของเราเนี่ยปราปลื้มอยู่กับการให้ทานจงให้ทานเถิดแล้วก็จัดส่งเกวียนเต็มไปด้วยรัตนะเจ็ประการพร้อมด้วยเครื่องอาภรเนี่ยนะไปทั้งสองข้าง ส่งเครื่องประดับให้ไปอีกเล่มเกวียนเนี่ยนะให้รัตนะไปอีกเล่มเกวียนส่งให้ลูกไปเนี่ยลูกจะได้แจกให้มีความสุขไปเลยนะระหว่างทางจะได้แจกไม่ใช่ว่าให้ของไปเตรียมใช้ที่ข้างหน้านะแต่เตรียมของลูกจะได้แจกให้ทานแม่ก็มีอัธยาศัยแบบนี้จริงๆนะนะพระมหาบุรุษพระราชทานเครื่องประดับที่ติดไปกับพระวรากายของพระองค์แก่ยาจกที่เข้าไปขอถึง18ครั้งให้18ครั้งนะพระราชทานของทั้งหมด เหลือแต่รถพระที่นั่งแลไปแล้วพระองค์เสด็จออกจากพระนครมีพระประสงค์จะเหลี้ยวทอดพระเนตรดูพระนครทันใดนั้นด้วยบุญญาุภาพของพระองค์มหาปัตถีที่ชั่วคันรถก็ได้แยกหมุนกลับทํารถของพระองค์ให้บายหน้ามาอย่างพระนครพระโพธิสัตว์ก็ทอดพระเนตรที่ประทับพระชนกชนนีด้วยกระวัดด้วยพระมหากรุณานั้นปัตถีก็ได้หวันไหวใจท่านก็ห่วงสงสารพ่อสงสารแม่เหมือนกันท่านจะอยู่กันยังไงเนา ก็ด้วยกรุณาของพ่อของแม่แผ่นดินก็หวั่นไหวอันนี้ก็ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่ที่เท่าไหร่ครั้งที่สามเนี่ยนะคือหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสว่าเพราะเราได้ให้พญาโคจสารนั้นชาวพระนครสีพีพากันโกรธเคืองพากันมาประชุมแล้วก็ขับไล่เราออกจากแว่นแคว้นของตนว่าจงไปยังภูเขาวงกฏเมื่อชาวพระนครเหล่านั้นขับไล่เราจิตของเราก็ไม่หวั่นไหวใจไม่หดหู เราได้ขอพรอย่างหนึ่งเพื่อจะยังมหาทานนั้นให้เป็นไปเมื่อเราขอแล้วชาวพนักครทั้งหมดก็ให้พรอย่างหนึ่งแก่เราเราได้เอากลองคู่หนึ่งไปตีประกาศว่าเราจะให้มหาทานครั้งเมื่อเราให้ทานอยู่ในโรงทานนั้นเสียงดังกึกก้องย่อมเป็นไปว่าชาวพนักครซีพีเนี่ยขับไล่พระเวสสันดร น, นี้เพราะให้ทานพระองค์ยังจะให้ทานอะไรอีกล่ะว่างั้น ผูกขับไล่เพราะให้ทานนะยังจะให้อีกนะเราได้ให้ช้างให้มา้าให้รถทาสีธาตุแม่โคทรัพคันให้ทานเหล่านั้นแล้วก็ออกจากพระนครในการนั้นครั้งนั้นเราออกจากพระนครแล้วพินกลับหน้าเลี้ยวมาดูแม้ในการนั้นแผ่นดินก็ไหวภูเขาซิเนรูราสและป่าหิ ม, มาพานก็หวั่นไหวอันนี้เป็นแผ่นดินไหวครั้งที่สาแผ่นดินไหวเหล่านี้นะที่ต่อสู้ชนะใคร ชนะพยามานในตอนตอนที่ที่เรียกว่าชนะมานเนี่ยนะในชนะมานที่เรียกว่าปางมานวิชัยชนะมานเนี่ยก็อาศัยเนี่ยแผ่นดินไว้เนี่ยแหละที่มานพร้อมทั้งเสนาหนีไปเนี่ยก็อ้างอ้างทานที่เคยให้ตอนที่เป็นพระเวสสันดร น, นั่นแหละหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ให้ม้าสินทบอีกสี่ตัวนะให้ม้าเสร็แล้วก็ให้รถยืนอยู่ที่ทางใหญ่สี่แยกตอนนั้นก็เป็นผู้เดียวไม่มีเพื่อนสอง อธิบายว่าเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นเสด็จออกจากพระนครอย่างนี้พระองค์ก็ให้อาํามัดทั้งหกหมื่นและชนที่เหลือซึ่งมีน้ําตานองหน้าติดตามไปกลับมาเนี่ยนะว่ากลับไปเถอะพระองค์ก็ขับรถไปด้วยพระองค์เองพระองค์ก็ตรัสกับพระนางมัสยีว่านี่แน่น้องหากมียาจกตามมาข้างหลังน้องคอยดูด้วยเหมือนนคอยดูนะเหมือนกันที่จริงนะถ้าเป็นมเหสีคนอื่นทุกสายโวยวายตายเลยนะนี่ไม่ นะก็อนุโมทนาสาธุการอยู่นั่นแหละตรงกันข้ามานะมีแต่อนุโมทนามีแต่ช่วยช่วยเหลือนะพระนามัตสีก็ประทับนั่งดูอยู่ลําดับนั้นพราหมณ์ทั้งสี่คนไม่อาจจะมาทันรับสัตตะสกมหาทานของพระองค์และทานที่พระองค์ทรงบริจาคในขณะที่เสด็จได้ถึงพากันเดินมาตามทางถามว่าพระเวสสันดรประทับอยู่ที่ไหนเมื่อมีการตอบว่า โปร่งให้ทานแล้วก็เสด็จโดยรถกลับไปก็คิดว่าเราจะาขอมาโอ้ยนักขอก็ขอจริงๆเลยนะนักขอเนี่ยโอ้ยเกิดมาขอจริงๆนะนะที่จริงเนี่ยนะพระเวสสันดรต้องขอบคุณคนขอนะเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าสักทีหนึ่งถ้าไม่มีคนเหล่านี้มาขอแฟนพวกนี้ก็คือช่วยให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่า ถ้าหาว่าเราอนุโมทนากับพระเวสสันดรเป็นเราจะได้บุญไม่ใช่น้อยใช่ไหมก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลเหล่านั้นขณะเดียวกันก็ทําให้เราเนี่ยมีศรัทธาที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คําสอนเหล่านี้ที่พระองค์ได้มาก็เป็นการได้มาโดยยากหลังจากนั้นพระนางมัซซีเห็นพราหมณ์เหล่านั้นเดินมาก็กราบทูลว่ายาจกมาแล้วพระเจ้าพี่ พระโพธิสัตว์ก็จอดรถพรามเหล่านั้นก็มากราบทูลขอมา้านะเหลือแต่รถเอาไว้เนี่ยนะพงค์ก็ให้ม้าไปพวกพราหมณ์เมื่อรับม้าไปแล้วพระราชทานม้าไปแล้วแอกรถก็ตั้งอยู่บนอากาศนั่นเองเทพพบุตรสี่องค์มาด้วยเพศละมั่งรับเอาแอกรถนั้นแล้วก็ลากไปละมั่งนั้นเป็นเทพพบุตรพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ก็รู้นะ ก็เล่าให้พนางมาสัสีฟังว่าดูก่อนแม่มสัสีเชิญดูเถิดเนื้อละมั่งปรากฏรูปร่างงดงามเหมือนมาที่ชำนาญเนี่ยพาเราไปทีนี้หลังจากนั้นอีกก็มีใครพรามอีกคนหนึ่งก็มาทูลขอรถที่กำลังเล่นอยู่ไปนั่นแหละพระโพธิสัตว์ก็ให้รถแล้วก็ให้พระมหิสีโอรถลงพระราชทานรถให้ไป เมื่อพระราชทานรถไปแล้วเทพบุตรก็หายไปกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ดำเนินด้วยพระบาทพระโพธิสัตว์ก็ได้กล่าวกับพระนางมสัสสีอย่างนี้ว่าดูก่อนแม่มสัสสีเธอจงอุ้มกันหากุมารีเริดเพราะเธอเป็นน้องคงเบากว่าส่วนพี่จะอุ้มพ่อชาลีเพราะเขาเป็นพี่คงจะหนักพระนางมัสสีก็อุ้มแม่กันหาผู้อ่อนนุ่มดังดอกประทุมและดอกบัวขาว เราเองก็ได้อุ้มพ่อชาลีหนอกษัตริเปรียบดังแท่งทองคาชนทั้งสี่เป็นกษัตริสุขุมราชชาติเกิดในสกุลสูงได้เสด็จดำเนินไปตามทางอันครระและราบเรียบก็ไปยังเขาวงกตเดินทางรอนแรงไปแล้วไปเขาวงกดเนี่ยนะมนุษย์เ่าใดเราหนึ่งเดินตามมาในหนทางก็ดีเดินสวนทางมาก็ดีเราทั้งหลายก็ได้ไต้ถามเขาถึงหนทางวัด เขาวงกดอยู่ที่ไหนเกิดมาก็ไม่เคยไปป่าอะไรแบบนี้นะถูกไล่ไปเขาวงกดก็ชี้ทิศไหนก็มากันนั้นมาก็เดินทางไปได้หน่อยหนึ่งเห็นใครเดินผ่านมา ก, ก็ถามว่าเขาวงกดนี่อยู่ที่ไหนเขาเห็นเราทั้งหลายในที่นั้นแล้วก็เปล่งเสียงอันประกอบด้วยกรุณาว่ากษัตริย์เหล่านี้คงจะต้องได้เสเวยทุกอย่างยิ่งเพราะเขาวงกฎยังอยู่ไกลคล้ายๆว่าได้มาสักกิโลสองกิโลก็ถามว่าเขาวงกดอยู่ที่ไหนยังไงนะ เดินทางออกได้หน่อยเดียวอะนะก็ถามว่านั่นอนะเชียงรายอยู่ที่ไหนอย่างไงนะโอ้ยเมื่อไหรจะถึงถ้าพระกุมารทั้งหลายเห็นต้นไม้อันมีผลในป่าพระกุมารกุมารีก็จะร้องให้กันนะร้องให้และเห็นผลไม้อยากทานเพราะเหตุแห่งผลไม้เหล่านั้นต้นไม้ทั้งหลายอันสูงใหญ่ไพศาลเห็นพระกุมารกุมารีกันแสงก็น้อมยอดลงมาหาพระกุมารและพระกุมารีเองอนะไ เด็กทั้งสองนี่มีบุญนะจริงๆก็อย่างว่ากุมารก็คือใครพระราหุนกุมารีก็คือพระนางอุบลวันนาเทรีเนี่ยนะมีพ่อแม่เป็นผู้ที่จะเป็นผู้มีบุญจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอันด้วยบุญเหล่านั้นเนี่ยกิ่งไม้ก็น้มลงมา พระนางมสัสีผู้มีความงามทั่วสารพางกายเห็นความน่าอัศจรรย์นี้อันไม่เคยมีมาหน้าขนลุกขนพองจึงยังสาธุการให้เป็นไปว่าความอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาในโลกบังเกิดคนเอ่อบังเกิดทําให้ขนเนี่ยชูชันหนอหมู่ไม้น้อมยอดลงมาเองด้วยเดชแห่งพระเวสสันดรเนี่ยก็รู้ว่าด้วยบุญของพระสวามีเนี่ยน่ที่ เป็นนักบุญจริงๆเลยนะเป็นนักบุญก็ทำบุญจนถูกไล่ออกจาก บ, บ้านจากเมืองเยนะนักบุญระดับนั้นนะแต่ว่าก็เป็นผู้ที่อนุโมทนากับสามีอยู่ตลอดเวลาใจของนางก็ไม่ได้ตกอะไรเนี่ยนะกุศลเหล่านั้นก็มุทิตาต่อกันตลอดเทวดาทั้งหลายก็ได้ช่วยย่นหนทางให้ด้วยความเอ็นดูพระกุมารกุมารีเพราะฉะนั้นในวันที่เราออกจากพระนครซีพีนั้นเราก็ได้ไปถึงยัง เจตารัตเนี่ยนะโอไปไกลนะถึงเจตารัตเจตารัตนี้ไกลขนาดไหนเอ่อเขาเล่าว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะผ่านภูเขาชื่อว่าสวนนคิริตาละจากกรุงเชตุดรมาห้าโยศมาถึงโกนติรามมาภูเขานั้นก็จากภูเขานั้นอีกห้าโยศจากนั้นมาถึงภูเขาชื่อว่ามารัญชนาคิรีจากแม่น้ํานั้นอ่ะอีกห้าโยศถึงบ้านพรามนะาบ้าน ธันด布拉มมณคามจากภูเขานั้นอีก5โยศมาจนถึงมาตุลนครอีกส0บโยศรวมจากว่าจากเชตุดรมาถึงมาถึงแคว น, นั้นเนี่ยนะสามสิบโยศเดินทางวันเดียวเนี่ยเท่ากับ480ปิกิโลเมตรเนี่ยนะอันทวยเทพเทวดาเนี่ยเพราะบุญของพระโพ ธ, ธิสัตว์กระตุ้นให้จึงย่นหนทางให้กษัตริย์ทั้งสีพระองค์ ก็ล่วงพ้นในที่เหล่านั้นทั้งหมดด้วยวันเดียวเพราะฉะนั้นวันเดียวนี้พระองค์เดินทางได้สี่้อยแปดสิบกิโลเมตรเนี่ยนะก็ถ้าพูดแบบทางตรงๆก็เดินวันเดียวนั่นนะเกือบถึงลำปางนะจากกรุงเทพไปก็ประมาณลำปางหลังจากนั้นก็ไปถึงที่ไหนในครั้งนั้นเนี่ยนะพอไปถึงเจตรัฐพระราชากษัตริย์หกหมื่นองค์ที่อยู่ในพระนครม า, มาตุละ ต่างก็ปนมก่อนอัญฉลีพากันร้องให้มาหาเราเราเ จ, เจรจาปราศัยกับโอรสของพระเจ้าเจตราชเหล่านี้อยู่ณนะที่นั้นได้ให้โอรสของพระเจ้าเจตรราชเหล่านั้นกลับที่ประตูนั้นแล้วก็ได้ไปยังเขาวงกดจริงๆเนี่ยพอไปถึงแคว้นเจตรเมืองมานะครมาตุละเนี่ยนะเจ้าเหล่านั้นนิยกบ้านยกเมืองให้ก็บอกไม่เอาอ่ะเอาบอกยกให้ถ้าไม่เอาเดี๋ยวจะยกกองทัพไปตีเอาเมืองคืนบอกก็ไม่เอาอีก เอางั้นก็ปกครองอยู่ที่นี่ก็ไม่เอาอีกเพราะเขาขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกตโดยประการใดๆก็ไม่เอาทั้งหมดนะนะพระองค์ก็เลยไปยังเขาวงกตเท้าส ก, กจอมเทวดาก็ตรัสเรียกวิษณุกรรมเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากรับสั่งให้เป็นเนรมิตรบรรณศาลาสวยงามน่ารื่นรมนะให้เป็นอาสมสำหรับเราเราทั้งสี่คนมาถึงป่าใหญ่อันเงียบมีเสียงอื้อง ไมไ่มีเสียงเงียบไม่มีเสียงอือยอิงไม่เกลื่อนกลนไปด้วยฝูงชนอยู่ในบรรณศาลาณนะเชิงเขานั้นในครั้งนั้นเราพนางมาสซีเทวีพ่อชาลีและแม่กันหาชินาทั้งสองบรรเทาความเศร้าโศกของตารและการอยู่ในอาสมเรารักษาเด็กทั้งสองอยู่ในอาสมอันไม่ว่างเปล่าพนางมัซีก็นําผลไม้มาเลี้ยงคนทั้งสามก็ ได้รับการเลี้ยงดูด้วยพลม้ใช่ไหมในอัตถกถาที่บายว่าตอนที่พระโพธิสัตว์มาถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัตในตอนเย็นพระองค์ประทับนั่งอยู่ในศาลาใกล้ประตูพระนครนั้นครั้งนั้นพนางมาสัสีเช็ตธุลีที่พระบาทของพระโพธิสัตว์แล้วก็นวดพระบาทคิดไปว่าเราจะให้ชนทั้งหลายรู้ว่าพระเวสสันดรเนี่ยสเสด็จมาถึงสเสด็จออกจากศาลาประทับยืนอยู่ที่ประตูศาลา พอที่พระเวสสันดรจะมองเห็นบรรดาสตรีที่เข้าออกพระนครเห็นนางมัต ส, สีก็พากันมาเวทล้อมมหาชนเห็นพระนางมัต ส, สีเห็นพระเวสสันดรและโอรสเสด็จมาอย่างนั้นก็ไปกราบทูลพระราชากษัตริย์พระราชาทั้งหกหมื่นก็พากันร้องให้พากันเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางก็ทูลถามถึงเหตุที่เสด็จมาอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ก็เล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้ตตน ที่พระราชาทานโคดจารให้แก่พระราชาเหล่านั้นฟังพระราชาเหล่านั้นได้ฟังอย่างนั้นก็ปรึกษากันมอบราชสมบัติถวายแก่พระองค์พระบุรุษก็ตรัสว่าการที่เราจะรับราชาสมบัติของพวกท่านจงยกไว้ก่อนเถิดนะเอาไว้ก่อนนะว่า ง, งั้นเพราะอะไรเพราะพระราชานี่ขับไล่เราออกจากเว่นแคว้นเพราะฉะนั้นเราจะไปเขาวงกฎแม้พระราชาเหล่านั้นจะทูลวิงวอนให้ประทับอยู่ณนะเจตรัต มีประการต่างๆพระองค์ก็ไม่พอพระไทยคือไม่ไม่พอใจที่จะอยู่นะแต่ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรแต่ว่ามีใจอยากจะไปอยู่เขาวงกฏพระองค์ก็ขอร้องให้พระราชาเหล่านั้นเนี่ยอบอกทางที่จะไปอยู่ยังเขาวงกฏฝ่ายพระราชาก็จัดอารักขาคืนคืนนั้นตกลงพระราชาพระราชาเหล่านั้นก็จัดอารักขาตลอดคืนอย่างรุ่งรุ่งเช้าตรู่พระองค์ก็เสวยพระกยาหาร มีรถเลิ่ต่างๆก็แวดล้อมไปด้วยพระราชาเสด็จออกจากนั้นสิ้นหนทางอีกสิบห้าโยดประทับถึงประตูป่าพระราชาเหล่านั้นก็กลับเยนยะพระองค์ก็รับสั่งให้พระราชาที่ตามส่งนี่กลับไปก็ได้เสด็จไปถึงตามทางที่พระราชาเหล่านั้นทูลพระองค์ก็ไปสิ้นหนทางสิบห้าโยดพระองค์ได้ตรัสเล่าว่า ในครั้งนั้นพระราชาหกหมื่นองอยู่ในมาตุละนะครต่างก็ประนมกรพากันร้องให้มหาเราเจรจาปรสาสัยกับโอรสของพระเจ้าเจตราชเหล่านั้นอยู่ณที่นั้นให้โอรสของพระเจ้าเจตราชเหล่านั้นกลับที่ประตูนั้นแล้วก็ไปยังเขาวงกดพระโพธิสัตว์นั้นเสด็จไปตามทางที่พญาเจตรราชทูลเล่าพระองค์ก็เสด็จไปถึงภูเขาคันธมาศเห็นภูเขานั้นแล้วก็ประทับอยู่ณที่นั้น จากนั้นพระองค์งก็ทรงมุ่งประพักไปยังทิศอุดอนเสด็จไปถึงเชิงเขาวเวปุระบันพศประทับนั่งนะฝั่งแม่น้ำเกตุมะบดีเสวยน้ำผึ้งและเนื้อที่นายพรานป่าถวายพระองค์งก็พระราชทานเข็มทองคําแก่พรานป่าพรานคนนี้ใครชาตินี้เขาท่านเป็นใครท่านเป็นพระช น, นะนีนะท่านเป็นพระช น, นะ พระองค์ก็ทรงสนานดื่มน้ําระงับความกวนกวายเสด็จออกจากฝั่งแม่น้ําไปประทับพักนั่งพักผ่อนณนโะคนต้นไทรที่อยู่ใกล้ยอดสานุบรรพศพระองค์ก็เสด็จลุกพระองค์ก็ลุกทรงบริหารพวรกายณนะนาลิกะบรรพศพระองค์ก็เสด็จไปจนถึงสามุจลินที่จริงระหว่างนั้นเนี่ยผ่านสำนักฤาษีหนึ่งสำนักนะเขาเรียกว่าอจุตตะฤาษีอจจุตจจตะฤาษีนั้นก็คือใครภาษาริบุตร ภาษาดิบุตรเนี่ยจริงๆแล้วท่านบวชติดๆติดกันเนี่ยนะชาติสุดท้ายเป็นภาษาดิบุตรท่านบวชติดกันห้าร้อชาติท่านบวชติดกันมาห้าร้อยชาติด้วยกันบรรชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะภาษาริบุตรก็เป็นอั จ, จุตตะฤศีเป็นฤศีที่บวชพระองค์ก็เสด็จไปยังสรมุดเจรินเสด็จถึงปลายที่ตะวันออกเฉียงเหนือทางฝั่งของสระก็เสด็จเข้าไปยังช่องป่าโดยทางที่เดินได้คนเดียวพระองค์ก็ ลอดช่องนั้นไปเข้าไปในป่าถึงสะโบกกรณีสี่เหลี่ยมข้างน้ำผู้เนี่ยนะก็มีน้ำผู้ด้วยนะพระองค์ก็เป็นภูเขาเข้าเป็นทางที่เข้าไปลําบากขณะนั้นเทา้าส ก, ก่ารำพึงว่าพระโพธิสัตว์นี้เสด็จเข้าไปยังหิ ม, มาวานันณตรประเทศควรจะได้ที่ประทับพระองค์ก็สรงวิษณุกรรมเทพบุตรมีเทวะบัญชาสั่งไปว่าท่านจงไปสร้างอาสมบทณนะที่รื่นรมในลือภูเขาวงกต วิษณุกรรมเทพระบุตรก็รับเทวบัญชาแล้วก็ไปสร้างบรรณาศาลาสองหลังสร้างที่จงกรมสองที่ที่พักกลางคืนที่พักกลางวันสองแห่งปลูกไม้ดอกมีดอกสวยงามมีผลไม้ต่างๆกอดอกไม้สวนกล้วยเป็นต้นในที่นั้นแล้วก็มอบบริขาบรบรรพชิตทั้งหมดจารึกอักษรไว้ว่าผู้ที่ประสงค์จะบรรพชาบวชจงถือเอาเถิดแล้วก็มิให้อัมนุษย์ หรือเนื้อนกที่ส่งเสียงร้องที่น่ากลัวเนี่ยนะเาเรียกว่าขับไล่อันมนุษย์แถวนั้นออกไปแล้วก็ขับไล่นกเนื้อที่สิ่งที่น่ากลัวให้ออกไปให้หมด